เป็นช่วงที่ท่านประสบภาวะจิตเสื่อมด้วยเหตุที่ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกรดเพื่อเตรียมออกวิเวกขณะที่เริ่มทำยังไม่ทาเสร็จดีกลับปรากฏว่าในด้านสมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงท่านเล่าถึงภาวะจิตเสื่อมนี้ว่าเป็นภาวะที่จิต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 แต่ละคืนนะคืนท่านเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในแบบขบขันตนเองว่าเราแอบไปฟังท่านสวดนมนต์เรายังไม่ลืมนะท่านก็กั้นห้องอยู่เราไปไม่ใหม่ไม่รู้ประสีประษาะอะไรเราเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์พึมพึมพึ ม, พ ม, พ ม, พมเงีบเงียบเราก็ด้อมไปนะ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 ไม่เสื่อมอีกต่อไปรักษาระเบียบวินัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด แรกที่ได้อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้ยินท่านอาจารย์มั่นพูดถึงเรื่องธุดงควรัตเพราะท่านอาจารย์มั่นเคร่งครัดมากตามนิสัยด้วยเหตุนี้ท่านจึงถือเป็นข้อปฏิบัติเสมอมาในการสมาทานธุดงเมื่อถึงหน้าพรรษาอย่างไม่ลดละ เฉพาะอย่างยิ่งในทุดงข้อที่ว่าฉันอาหารเฉพาะของที่ได้มาในบาทจากการบินทบาทเท่านั้นสำหรับทุดงข้ออื่นๆก็ถือสมท า, านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเช่นการฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเท่านั้นการถือผ้าบังสุกุล การใช้ผ้าสามผืนสบงจีวรสังขาติการฉันในบาทการอยู่ป่าเขาเป็นต้นการทำข้อวัดบิดบัติทำความสะอาดเช็ดถูกุฏิศาลาและบริเวณ ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยนิสัยที่จริงจังและเป็นคนเคารพข่อปฏิบัติมากท่านจึงไม่ยอมให้ข้อวัดเหล่านั้นขาดตกบกพร่องใดๆเลยแต่พยายามรักษาทั้งความตรงต่อเวลาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความพร้อมเพรียงกัน ในการทำข้อวัดปฏิบัติความละเอียดถี่ถ้วนความคล่องแคล่วไม่เหนื่อยหน่ายพอแท้อ่อนแอทำสิ่งใดให้ทำอย่างมีสติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบไม่ทำแบบใจร้อนใจเร็วการหยิบจับวางสิ่งใดจะพยายาม ไม่ให้มีเสียงดังข้อวัดต่างๆเหล่านี้พระเนรท่านจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบบริเวณอย่างทั่วถึงตั้งแต่กุฏิท่านอาจารย์มั่นกุฏิตนเองศาลาทางเดินตลอดแม้ในห้องน้ำห้องส้วมมีการเติมน้ำใส่ตุ่มใส่ถังให้เต็ม ไม่ให้พร่องและข้อปฏิบัติต่างๆเช่นนี้พระเนนท่านจะพยายามทำอย่างตั้งใจสมกับที่ท่านเป็นสมณะผู้รักความสงบสะอาดและรักธรรมรักวินัย คุยเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชอบที่ควรการปฏิบัติจิตตภาวนาถือเป็นงานหลักอันสำคัญที่สุดดังนั้นในแต่ละวันท่านจึงพยายามพูดคุยแต่น้อย หากมีความจำเป็นต้องพูดสนทนากันบ้างก็ควรให้มีเหตุผลมีอัธรรมไม่พูดขนองเพ้อเจ้อหยาบโลนควรพูดตามความจำเป็นและเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมการตักเตือนชี้แนะหมูนะ่คณะภิกษุสามเณรให้เป็นไปด้วยความเมตตา กรุณาต่อกันเพื่อให้รู้ให้เข้าใจคุณและโทษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านกล่าวเสมอๆว่าควรพูดคุยกันในเรื่องความมักน้อยสันโดษความวิเวกสงับความไม่คลุกคลีซึ่งกันและกันพูดในเรื่องความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญา ในการต่อสู้กิเลสพระในครั้งพุทธการท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมืองการได้การเสียความรื่นเริงบันเทิงการซื้อการขายอะไรท่านมีความระแวดระวังว่าอันใด จะเป็นภัยต่อความเจริญทางจิตใจของท่านท่านจะพึงละเว้นลบหลีกเสมอส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้จิตใจมีความแน่นหนามั่นคงจนสามารถถอดถอนกิเลสออกได้เป็นลำดับลำดานนั้นควรส่งเสริมให้มีมากขึ้นให้สูงขึ้น ท่านอาจารย์มั่นล่วงรู้วาระจิต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 เพระาะทราบดีว่าลูกศิษย์ผู้นี้ได้ยอมแล้วอย่างสนิทใจน้ำตานักสู้ ปกติธรรมดาท่านจะใช้เวลาในการนั่งสมาธิครั้งละประมาณสามสี่ชั่วโมงตอนกลางวันพอฉันจังหันเสร็จล้างบาทเช็ดบาทเรียบร้อยแล้วเอาบาทไปวางที่ร้านแล้วเข้าทางจมกรมเลยโดยเดินจมกรมไปตลอดจนถึงเวลาประมาณ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 แต่ด้วยใจที่สู้ไม่ถอยท่านก็สามารถผ่านไปได้ดังนี้เข้าไปอยู่ในป่าในเขาตั้งใจจะไปฟัดกับกิเลสเอาให้เต็มเหนียวและนะคราวนี้หลีจากครูบาอาจารย์ออกไปเข้าไปอยู่ในภูเขาป่ามันสงบสงดัดป่าไม่มีเรื่องอะไรแต่หัวใจ